แต่ถ้าว่าตบนอกว่าไม่ต้องเก็บทิ้งเจ้าของเนาะก็ปล่อยทิ้งไวอย่างงั้อะไรที่รู้ว่าเจ้าของเขาไม่เอาแล้วเป็นกับย e ียรรนสามสุคุณาอันน้นมาสุคุณก็ามันเป็นหน้มีตาบั น, นะครับอันนี้จะไปมาสิคุเอาเงินนันท์ของแลแต่ไน้นี้ไม่ได้ไไดก็กลับมาดูที่อุโบสถวิถีครับหนึ่งร้อยแปดสิบหกนะครับข้อที่ แปดสิบห้าก็เป็นข้อที่สามของรัตนวนะวัข้อที่สามของรัตนวังพิสูรรูปใดไม่ได้บอกลาพิสูร<ม>ที่อย<ม>ู่ใกล้ใกล้ที่พอจะบอกลาได้เ<ม>ขอาอยินไ ม, ม่มีเยเอบอกลาได้ใช่ไ ม, ไม่ต้องเที่ยวเดินหากนจนทั่ววัดเพินงเข้าไปสู่วานในเวลาวิการ เที่ยงวันไปแล้วจนถึงอารมณวันใหม่ยกไว้มีกิจที่ควรกระทําโดยเร่งด่วนเช่นมีพิสูจน์ถูกมือกัดไฟไห่าต้องอาบัดปาจิตตีนี่เห็นไหมครับเข้าบ้านในเวลาพิการใช่ไหมอะไรที่เราแล้วนะครัจนก่ า, าอาจะขึ้นใหมอ่อะไรนี่ในเวลาพิการต้องบอกงาพิสูจน์ที่มีอยู่ใช่ไหม ที่สที่มีในที่นี่หมายถึงว่ามีอยู่ใกล้ๆนะครับที่สามารถจะบอกเราได้ถ้อยคําตามปกติกะะที่นะบอกเขาครับไม่เห็นว่าไม่้องตามเที่ยวหาทั่ววันนะแอบมีใครอยู่บ้างผมจะบอกว่าเข้ามา้หลาวิกาไม่เห็นใครเลยว่าปกติจ้งางว่นอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องนะครับอาสิ่งี่เราเห็นนะใกล้ๆแถวนั้นนักมีก็ประมาณเท่าไหร่หงแม่มใช่ไหมสองสอบหรือไม่ะครับ แล้วก็ไม่ได้บอกงานคุณเข้าไปสู่บ้านในเวลาวิการบ้านที่นี้หมายถึงหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านที่มีรั้วร้องไม่มีนั้วน้องถ้าเป็นหมู่บ้านที่มีรั้วหรืกำแพงอะไรใช่ไหมเราก็กล้ามรั้วหรั้วเข้าไปนะครับหรือกำแพงหมู่บ้านเข้าไปนะที่จะต้องอาบัตนะครับถ้าเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีรั้วร้องอันนั้นเอาในเอากระจาดของหมู่บ้านนะครับกระจาะของหมู่บ้านนะ แต่จะรักของหมู่บ้านเราอยู่ที่หมู่บ้านนะ่แล้วก็เคลื่อนไปใช่ไหม จ, จบชุมนกล้าล่วงตรง น, นั้นไปแล้วก็จะต้องอ่าบาัตรตออา จ, จิตปีสิกขาบทนี้ยกแว้นแต่มีจิตที่ปึงกระคำเร่งดวง่วนมีพิสู่ทุมงกงุกันเนี่ยจะเข้ากันได้บ้าททำไมครับ้านนมกกันเ ข, ข้าไปแล้าเข้าไปเอายาหรือว่าเข้าไปเรียกโยกให้ไปหารถมาใช ลรวนำพา้าไปสองบาลก็ไปหายาได้หลายอย่างนะครับนี่นะก็ไม่ง่ายว่าเพื่อนจะมาเชื่อวิสีสุขกะนะทมันร้างไม่คันแล้วต้องรีบไปนะอันนั้นได้นะครับหรือว่าไฟไม่วันเนี่ยเข้าไปบ้านทำไมก็ไฟไมั่าวบ้านไม่ดับไฟชาวเรียกชาวบ้านมันช่อยันดับไฟนะคระถ้าค่าดในเราน้นนี่แหละเฉพาะเห็นอย่างนี้นะ หรือว่ามีอันตรายอันตลายนั้นก็เข้าไปได้นะไม่บอกลาก็ได้รีบไปเลยนะครับไปไสามหน้านี้ยังปเป็นเสหตุว่าหนีได้ครับไม่ต้องบอกลาเข้าบ้า น, นครับนี่คตัว่าเป็นมันเข้าขาในระแวก บ, บ้านมันไม่ใช่เขมหมู่บ้าน <c oughs> แต่มันเข้าขาระแวก บ, บ้านมันก็ต้องมาคุยเสียทีว่าบ้า น, นลแล้วแวกบ้านนะครับแต่ว่าไม่ต้องบอกลานะ ครับเข้ามว่าไมใช่ครับไม่ใช่มบ้านครับถือว่าการไปไปรเป็นเยครับต้บอการบอกตอบอกตอบอกครจะมี็าอะไรมครับก็ถ้าเราสงสัยจะเป็นบ้านนั่นอที่โยเข้ามาอยู่าศัยกันไหนมีครับก็แล้วแต่นะบางคนว่าอุตสีว่าเป็นเข่งบ้านนะครับแต่ผมว่าแต่ว่ามันก็เป็นเข่บ้านแหละที่อยเข้ามาเช่าอยู่ี่นี่นะ น, น, นมัน้นบรมาากครแต่ร้บนี้านะครับแต่าาร้อยสิบเก้าเรื่องพระศพขีนะครับโดยสมัยนั้นพระพุทธเจ้าประทรําอยู่น้ำพระเจดวนนลอารามของอนาคาริติกาข้ามบดีเข็มพระนครสามนีครั้งนั้นพระศพขีเข้าบ้านในเวลาีิการแล้ว เรื่องในที่ชุมชนการติชะารกระถามีเรื่องต่างๆคือเรื่องพระราชาเรื่องจอมเรื่องมหาอมาเรื่องขุนพลเรื่องภัยเรื่องร็อกเรื่องข่าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกนม้เรื่องของหอมเรื่องย่าเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเทรอเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องสุราเรื่องตรอกเรื่องค้าวน้ำเรื่องคนที่น่งรัอกไปแล้วเรื่องเมตตาเน็ตเรื่องโลกเรื่องทะเล เรื่องความเจอแนละความเสืเ่อมเ้ว่ประการนั่นนะเนี่ยใครต้องอยากจะรู้ว่าการยายามมีคำที่บายไแต่ละเรื่องนยะรู้สึกนันเดชาานท่านจะอธิบายในะเรื่องอะไรถ้าสู่ไม่ผมมันชระสื่อมสามมิยมผลสูงเลยนะครับไปดูก็แล้วกันนะในพระไตรปิกนรับเนี่ยสูงเนี่ยนะท่านจอธิบายนี่ทาคิให้ีว่าเราได้พูดเรื่องนันเดชาติฐานพวกนี้ถึงบ้างหรือเปล่า ไมนะ่บอกครอบเลยแต่นี่เขาไม่พูดในวันนะ่ะเขาเข้าไปนหนึ่งูบ้านเลยนะครับในึเวลาวิจารด้วยแล้วไปในที่ชิงชนนะนะครับสภากาแฟรประธาอะไรก็แล้วเนียก็ไปนั่งคุยตดงนั้นเลยนะครับชาวบ้านก็อยู่เข้า อ, อะไรใช่ไหมแ้วก็คุยเรื่องนะครับไร้สาระในภาษากระม่มีประโยชน์นะครับนี่พอทีทำมาคำพูดเหล่านี้ก่านา้รหังกระคำพูดนะ น <c oughs> <c oughs> ี่เลยาถึงขวางําพูดถึงขวางนะครับขวางต่อการบรรลุมังพุทธนิพพานนะครับแล้วขวางทั้งสวรรค์ด้วยนะคุณจิณนะครับไม่ใช่ขวางต่อการบรรลุมังพุทอย่างเดียวนะยังขวางต่อการไปสวรรค์ด้วยนะครับขวางต่อการไปสวรรค์ยังไงหนั่นา็ว่าถ้าเราเอาแต่พูดเรื่องอย่างนี้มากๆนะใจมันก็จะน้อมกับเรื่องพวกนี้ครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอักษรใช่ไหม เป็นโลค้าบ้างโทสาบ้างมหาบ้างนะครับหลายกับพวกนี้เมื่อใจมสนหลายกับพวกนี้สวดมากเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เจริญสสัทธใช่ไหมนะครับก็จะเป็นตัวกั้นนะตัวกั้นนะครับกั้นสวรรค์ก็ได้กั้นมังกรนิพพานในทั้นเลยมันถ้าเอาแต่คุยเรื่องพวกนี้นะครับใจนม่จะตาลความเพียงเพื่อจะเรียนยุคศสนาเพื่อบรรลุอะไรเหรอใช่ไหมคุยเรื่องพวกนี้สนุกกว่าเป็นติงที right. right. stand, right? like ่แพ right? ้เข้ากลางฉันนะคือใจไม่น้องไปนะครับ เขามาเอาแต่พูดเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาวั ง, งกัน้ำนังพวดเป็นบางทีเนี่ประเดนฉาญกถาเนี่ยก็ต้องดูนะ น, นะครับ <c oughs> เนี่ยเรื่องประการนั้นนั้นนะครับเรื่องอะไรเรื่องพราราชาเรื่องโจนยชาวบ้านพากันเพ่งท่องติเตียนปุถนาว่าฉนันไหนพวกก็สมณะเชื้อสายพร ะ, ะสัพยาหมุตจึงได้เข้าบ้านในเวลาวิกาแล้วเมื่อในที่ชุ ม, มนชนกนาเรณฉานกถาเรื่องตา่างๆ คือเรื่องพระราชาเป็นต้นนะอันนี้พิสูจนะครับได้ินชอวบ้านนะเป็นผลิตเจนปุถนาบรรดาที่เป็นผู้มัองงายน้นเสนอตังก็เพ่งผลิตเจนปุถุนาแล้วก็กาศนิพพานเจ้าทรงทราิผู้ลงทรงสอบถามทรงติดเจียนเกษตรกีและก็ปัญจิตขามบวชขึ้นมาครับพภาพบรรยากาศครั้งแรกนี้แค่นี้ก่อนนะอันหนึ่งพิสูจใดเข้าบ้านเข้าไปสู่บ้านในเวลามิการเป็นตางสิตติ นี่ไม่มีบอกว่าอำนามมนอำล า, อลาบอกเข้าไปไม่ได้ครับในเวลาพิการนะครั้งแรก <c oughs> ต่อมาก็มีเรื่องของพิสุลารูปกเกิดขึ้นครับก็โดยสมัยนั้นแหละพิสุนารูปเดินทางไปทระนครสาบทีในโกศลชนบทได้เข้าไปถึงหมู่บ้านตำบลหนึ่งในเวลาเยน็นพวกชาวบ้านเห็นพิสุเหล่านั้นแล้ว <c oughs> ได้สาลกษณะว่านิมนต์เข้าไปเถิดขอรับ ที là, de ่สูรเหล่านั้นเกียจอยู่ว่าการเข้าไปสู่บ้านในเวลาบิการเมว่าบ้านเจ้าสรงห้ามแล้วจึงไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่าท่านไปถึงหมู่บ้านในเวลาเย็นใช่ไหมชาวบ้านเห็นก็เลยไม่โมนให้เข้าไปนะครับเพราะในหมู่บ้านนั้นจะมีวัดว่ามีที่พังสะดวกฟ่านะเนี่ยท่านก็ไม่ยอมเข้าไปก็ถือพระเจ้าชงเยสิคานบุตรแล้วใช่ไหมครับไม่เข้าไปหมู่บ้านในเวลาบิการนะท่านก็เลยอยู่ข้างนอกหมู่บ้านหลยนะครับ พวกโจได้ย่งชิงพิสุเหล่านั้นเขามาแย่เชียง์ข้าของไปนะขันพิสุเหล่านั้นไปถึงพระนครสารพิีนล้วได้เล่าเรื่องนั้นแก่พิสุทั้งหมายพิสุทงหมายได้กลาวเรื่องนั้นแบบพุทธภาเจ้าพุทโลก็ขออนุญาตขึ้นมาแล้วว่าดีวกว่าพิสุทังหมายเราอนุญาตให้อําราและเข้าสู่บ้านห น, นึโบราณการได้ก็มีอนุบัญญัตนะิเข้ามาในคําว่าไม่ทํางานและเข้าไปทําำราก็ไม่เป็นไร สมัยต่อมาแล้วก็มีเรื่องของพิสุรูปหนึ่งเกิดขึ้นสมัยต่อมาพิสุรูปหนึ่งเดินทางไปสู่พระนครสามัคีในโกศลชนบทได้เข้าถึงหมู่บ้านตำบลหนึ่งในเวลาเย็นพวกชาวบ้านเห็นพิสุนั่นแล้วได้กาลัทธ์แม้ว่านิมนต์เข้าไปเถิดข่าวับพิสุนั่งังเกียร์อยู่ว่าเนี่ยก็เหมือนเดิรเมื่เมดกี้นะเข้าไปถึงบ้านในเวนาพิการยงเพรานิมนต์เข้าไปในหมู่บ้านข้ายก็มายองเข้าไป พิสูจน์แะบังเกี่ิดอยู่ว่าการไม่อำลาและเข้าไปสู่บ้างในเวลาพิการเมืม่อพรเจ้าทองห้ามแล้วและท่านก็ไม่รู้จะอำลาใครใช่ไหมเพอไปรู่งเรืองอะอำลาใครง่ายเนี่ยท่านเคยไม่เข้าไปไ <c oughs> ม่มีใครไงละ่ะ <c oughs> ดังนั้นจึงไม่ได้เข้าไปพวกจนได้ย้ายถึงพิสูจนั้นคันพิสูจนั้นไปถึงพระนครสาบถีแล้วได้เล่าเรื่องนั้นแก่พิสูจนทั้งหลาย ้งหละได้กล่าวโนน่ดน้นผาเจ้าผ้ผู้ชก็สองอนุบาลใหญ่ขึ้นมาทั้นทงนะครับว่าไม่อำลาพิสุที่มีอยู่แล้วก็ค่าพิสุไม่มีก็ไม่เอะนไรนะนะครับแต่ถ้ามีต้องอำลา้าไม่อาลาก็เนี่ยเป็นปัญาบันนะครับสมัยต่อมาก็มีเรื่องของพิสุถูกงกกัดงูกัดมาเกิดขึ้นอีกต่อจากสมัยมแรกพิสุรูปหนึ่งถูก ง, งกัด พิสุรุ่มหนึ่งจะเข้าไปสู่บ้านหาไฟมาท่านจะเอาไฟมาทําอะไรนี่เอ <c ười> าไปทำอะไรนะม <c ười> า, าต้องมไง ห, <c ười> หรือว่าเอามาเขาเอามาเอาทิพย์ทอด <c ười> เอา theo, ทิพย์ทอดทางป็นยา ห, <c ười> หรือว่ามาไล่ม <c ười> ือไม่ร้เหมือนกันนะคงจะมาช่วยพิสุรุ่มมืงกัน่นะครับไม่มีสีแดงด้วยซินี่นะ <c ười> แต่เธอรังเกียจยู่ว่าการมันอำลาพิสุที่มีอยู่แล้วเข้าไปสู่บ้านเยนราวิกาเมื่อพระเจ้าสองห้านแล้วที่สุดก็มีอยู่ใช่ไหมแต่ะะท่านมั่นอำต้องรีบไปนั่นี้นะครับดังนั้นจึงไม่ได้เข้าไปและตามนุ่นนั้นแบบะที่พระเจ้าทุกองก็ส่องนุ่นบัญญัติขึ้นมาอีกครัง้งนะครับแต่ว่าเราอนุญาตไว้ในเมื่อมีกรณีกรณีนั่นคือกิจนะที่ควรทำ ร, รีบ รีบด่วนึินปามนั้นไม่ต้องอําลานะครับที่สู่ที่มีอยู่เข้าไปสู่บ้านในเวลามีการบ้านนะครับถ้ามีกี่รีบถจงจำเป็นนี่นะไปเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกถึงเวลาใครก็ไม่เส็ยอันบัดนะครับก็เลยเป็นสิ่งคงแต่งนะอย่างที่ได้ว่าแล้วนะครับเนี่เนี่ยคำพิบัติไม่ฟังนิดหนึ่งครับถ้าบอกว่าคาว่าเข้าไปสู่บ้าน ความว่าเมื่อเดินร่วมเครื่องร้อนของบ้านที่มีเครื่องร้อนเราต้องระวังเครื่องร้อนมย่างจริงจังนะใช่ไหมว่าร่วมไม่คุมใช่ไหมเพระเครื่องร้อนมันได้หลายอย่างกําแพยก็ได้เรือนหน ก, ก็ได้ห้องไข่ก็ได้ใช่ไหมครู ก, ก็ได้นะครับต้องอาบัตรปาจุดดีเดินร่วมประจาระบ้านที่ไม่มีเครื่องร้อนต้องอาบัตรปาสีนะครับถ้าบ้านที่มีครื่องร้อนเอาประ จ, จาระหุบ้านนะเอาลองลองนับใหม่ดูครับ บ้านประจาระเรือนประจานะเรือนบ้านปุปจาระบ้านเอาเรือนกลางเรือนถึงไหนครับน้ําตงชัยชาเข้ามาถือเรือนนะครับอุปจาระเรือนครับเพี้ยงไม่ต้องเพี้ยงสาไปนะครับที่ตกใช่ไหมตรงนั้นอ่ะเข้ามานะครับนี่เป็นอรปจานะเรือนหรือท่าเรือนนั้นมีหรือว่าล้อก้อนล้อของเรือนนั่นแหละเป็นปุปจาระเรือนนะครับไม่ต้องเพี้ยงแล้วนะ ถ้าเขามอยู่ว่าแล้วนะครับทีนี้หมู่บ้านครับหมู่บ้านอยู่ตรงไหนอีบ้านหลังสุดท้ายนะอยู่ตรงไหนเขาบินเดินอยู่ตรงไหนบ้านหลังสุดท้ายแหละบินเดินตรงไหนของอ๋อทางทางเตินเรีงไปครับเไปสองตุบเลยตุ๊บเดียวนะครับเป็นหมู่บ้านใช่ไหมครับ แล้วก็อยู่ที่ตรงตุ้มนั่นแหละเคลื่อนไปอีกทีหนึ่งใช่ไครับก็คือปัจจาระหมู่บ้านตรงนี้นะที่ไม่มีเครื่องร้องเนี่ยก็จะร่วมประจาระหมู่บ้านเข้าไปนะครับก็จะต้องแบบปานตีที่นี่มาดูคำที่บนทึกใช่ครับน้าสองห้าสิบปข้อที่สาอธิบาย วิการธรรมมากกว่าเวสณาสิกขาบทข้อนี้ก็ไม่ง่นานไี่ง่าครับพึงทราบวิธีใช้สิกขาบทที่สามต่อไปคำว่าคำตามปิคุออณาปุจฉาแปลว่าไม่บอกลาพิสุที่มีอยู่นะครับในวัด ก, ก่อนเข้าบ้านนี้มีในดังกล่าวไว้แล้วในจะริษัสิกขาบทนั่นแหละ้าสอธิบายก็แล้วว่าหมายถึงพิสุที่อยู่ใกล้ๆ้ที่สามารถบอกได้ทอดคมตามปติใช่หม ้อาไปเดินหาทุ่ทุกครับเขาว่าพิการเลยหมายถึงเวลาเลยเที่ยงวันไปจนถึงอารมณขึ้นในระหว่างนี้นะครับพิสุไม่บอกกับพิสุที่อยู่ในวัดว่าเราขอลาเข้าบ้านในเวลาพิการหรือว่าเราจะเข้าบ้านเมื่อคำลาเป่างนี้ที่เราลาใช่ไหม พมขอรัเข้าบ้านในเวลาการนะครับหรือบอกว่าผมพอรัเข้าบ้านเฉยๆก็ใช้ได้เหนะครับเมื่อไม่มีกิจธุระอะไรด่วนนะครับที่จําเป็นต้องไปนี้่ือไม่มีนะเดินเข้าไปยังเขียนรั้วของบ้านที่มีรั้วหรือครข้างล้อมนะหรือเข้าไปในเขตปัจจานะของบ้านที่ไม่มีรั้วก้าวแรกต้องบทุกบนะครับก้าวที่สองต้องแบ่ปางติทธิก้าวี่สอง ถ้าพิสูจนะ์ให้รูปเข้าไปบ้านด้วยธุรา บ, บางอย่างไปกันหมดวัดอะไรอย่างนี้นะนะครับจะอะไรนะถ้าบอกว่าทุกกรูปต้องบอกงานกันเองเราก็บอกงานกันเองได้เป็ไรนะครับมันทีมันลืบอกงานเอ่ะนั่งรับแร่แล้นครับแต่ยังไม่ออกเขตวัด น, นอกเขตวัดใช่ไหมยังไม่เข้าไปในเขตของบ้านเราก็บอกงานกันในรถกันได้นะครับมี่นะครับ พอเข้าไปในหมู่บ้านแล้วต้องอาน บ, บัตไปแล้วนะที่งจาบอกลาทีหลังก็งไม่พ้นนะครับต้องบอกลาขอนที่เข้าเขียนหมูบ้านนะครับนน <c oughs> เมื่อที่สุรายรูปเข้าไปบ้างอื่นอีกด้วยที่ว่าบ้านนั้นธุระของเรายังไม่เสร็จนะครับก <c oughs> ิดคือการบอกลาอีกไม่มีนะครับหมาก็ว่าเราเข้าไปหมู่บ้านแล้วนี้แล้วใช่ไหม เราจะเข้าบุญบ้ากติมต่อเพราะว่ายังมีธุระอะไรที่ต้องทําอยู่นะครับก็มันจะไปต้องบอกอะไรอีกนะครับบอกตอนแรกใช้ได้เลยจะเข้าไปถึงร้อยหมู่บากก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าบอกนะเพราะเยยังมีธุระที่ต้องไปอีกนะครับยังไม่ยังไม่ได้กลับมาว่าอดนี่นีะนะครับแต่ถ้าเราง้อความพยายามที่จะไปอีกอ่านะครับหมายความว่าความสั่นในการเข้าไปบุญบ้านทั้งหมดแล้วนะครับจึงทางกลับบอันนี้กลับมาแล้วนะ ในระหว่างทางในระหว่างทางเกิดต้องการจะไปบ้าอนอื่นๆต้องลางกันอีกนะครับอันนี้ในมีการชอบอธิบายว่าที่ว่าหมดความสาหารที่จะไปนหมบ้านอื่นแล้วนะแล้วก็กลับมาถึงบ้านนะครับถ้าบอกว่าที่ต้องบอกลางกันหมเพราะว่าออกมาเห็นนอกหมู่บ้านแล้วนะออกมานอกหมู่บ้านแล้วนะครับพราะตัวเองที่ว่าจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมก็เลยออกมานอกหมู่บ้านแล้ว นี่พอต้องการจะไปหมู่บ้านเองนะครับหมู่บ้านนี้ในหมู่บ้านเองก็แล้วแต่นะก็ต้องบอกอาทำไมเพรออกมานอกถึงหมู่บ้านแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้ายัางอยู่ในเขตหมู่บ้านอยู่นะถ้าถึงแล้วเลกความสาหารอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องบอกอะพ่อได้บอกมาแล้วเนี่นะจะไปตามทางฝันดีนะบอกว่านะครับคำว่าแล้วนอกความสาหานะครับ แล้วก็ไปสู่วิหารแล้วก็คงหงษ์สาหัสแล้วไปสู่วิหาเนี่ยถ้าอธิบายว่าคเขาครั้นเมื่อออกไปนะครับจากอุปจานาหมู่บ้านแล้วยังไงเมื่อออกไปจากอุจจานาหมู่บ้านแล้วนะเข้าไปสู่ปัจจานานะครับขอสถานที่ทต้องหมายมีวัดนะครับมีวัดภายในวัดเป็นต้นนะแล้วก็นะารเนี่ยถ้ามาสงา่งมาไหนนะครับถึงต้องบอกงานกันอีกหมายความว่าออกไปนอกเขตหมู่บ้านแล้ว เข้าไปในเขียนว่าเป็ต้องนะครับแต่ว่านะถ้ายังอยู่ในอุปจาระของหมู่บ้านอยู่นะครับถึงแม้จะหมงค้อมสาหาัสที่จะไปไหนต่อไหนแล้วนะจะยังอยู่ในเขีนหมูบ้านอีกนะครับอันนี้ไม่มีกิจด้วยการบอกลานะถึงนม้นเป็นผู้ไข่เราจะไปสูหมู่บ้านนั้นหรมู่บ้านอื่นนะครับไม่มีมที่จะต้องบอกลาเพราะถือว่ายังไม่ออกจากนหมู่บ้านนะครับต่อไป ในระหว่างทาต้องลางกันอีกนะครับนี่นะพิสูจนต้องการจะไปเรือนของตระกูลก็ดีรองฉันก็ดีทำพัฒกิจเสร็จแล้วอันนี้หมายความว่าชั้นไปในในการนะซัดยอเที่ยงนะครับไปขินนิมนต์นะไปฉันที่เรือนของตระกูลนะครับข้านิมนต์ไปหรือว่าไปฉันที่รองฉันกลางหมู่บ้านนั้นก็แล้วแต่นะครับไปในการแหละเ ข, า, ขาเขนาเหิดการฉันใช่ไหมทำพัฒกิจเสร็จแล้วนะครับ การมันก็ไหลไปใช่ไมมันก็ไหลเที่ยงไปนะครับทีนี้ต้องการจะทเที่ยวขอน้ํามันขอนในใสายตัวดีถ้าเห็นพิสื่นอยู่ข้างๆต้องรายงานนะครับเพอาะเวลาวกายวีการพอแล้วนะถ้ายังต้องการเที่ยวไปในหมู่บ้านไม่ใช่ ว, ว่าจะกลับมาวัตใช่ไหมอยองต้องการจะเที่ยวไปนในหมนู่บ้านอีกนะครับจะไปเที่ยวบ isson, ิจาบันน้ํามันหรือขอในสายก็แล้วแต่นะก็ต้องบอกรายงานพิสูจน์ที่อยูข้างๆนะครับทีนี้ถ้าไม่มีความทําใจไะ ถ, ถ้าไม่มีถ้าไม่มีท่าอยู่นะควรทาใจว่าเมื่อมีพิ ส, สูจอยู่นะแล้วไปเถอะแต่ถ้ากาลังเดินอยู่บนถนนถึงจะเห็นพิ ส, สูจก็ไม่ต้องบอกนะเพราว่าวตอนแรกเราก็ไม่เห็นใครนะคนโยนคนนี้มองเราไปคนเด็กมองไปบ้าบบ น, นยากอย่างนี้น่ะทำอะไรเที่ยงแล้วเราไม่ได้จะกลับวันนะถ้าเราคิดจะกลับวันเนะี่ยถือว่าเราไปในการฉันเสร็จใช่ไหมครับมันเป็นวิการเราจะกลับมาวันนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องบอก เ่ามันจะมีมีนอาณาบัต น, นะครับที่ว่าไปสู่อาณาบริวินนะอันนั้นก็ไม่ต้องบอกอะไรนะครับแต่นี่ถ้าไม่จะกล่าวว่าเฉยๆนะเท่านอาจารย์จะเที่ยวไปในหมู่บ้างครับเพื่อเฉพาะเนรมุมยาก็ต้องบอกแต่ถ้ามันมีครให้รัก็ไม่เป็นไรเกิดไปแล้วเหมือนเราไปเห็นพระขึ้นหลังอยู่การถนนอย่างเนี้นะอันนี้ก็ไม่ต้องบอกอะไรครับแต่ทางในเป็นทางผ่านกลางหมู่บ้านนี่ไนงะ ถ้าที่สูงกาลังเดินตามทางนะั้นเกิดมีความคิดขึ้นว่าเราจะเที่ยวของน้ำมันเป็นต้นอันนี้ก็าแปลงนามบัตรอีกข้อนี้นะครับมาเข้าไปตามทางผ่านหมู่บ้า น, นครับนี่นะทางผ่านหมู่บ้านนม่มีปัญหาไม่ได้ทางมาา ห, หมู่มบ้านขนมอย่างที่เมื่อขนมเกษตรเนี่ยผ่านผ่านหมู่บ้านเขาแล้วแต่นะเป็นทางผ่านหมู่บ้านอนะครับถ้าเราไม่ได้ไว้เอานอกทางเข้าไปแว้เอกทางอะไรใช่ไหมก็ไม่ต้องบอกอใครนะครับ แต่น <c oughs> right? ั่นบอกว่าเนี này, là là ่ยถ้าเกิดมีความคิดขึ้นว่าเราจะเทียวของน้ํามันเป็นต้นเห็นวิสูตอยู่ข้างๆต้องหลังเกาะนะครับเพราะเราจะออกทางไปแล้วใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้ไห้ออกจากทางเดินกําลังเดินไปอยู่ไม่มีจิตที่จะต้องบอกหลังนะครับแล้วก็ปลายตั้งเหนื่อยนั่งก็เรื่อนะเมื่อไหวออกแล้วไม่บอกวิสูก่อนะครับต้องทำปังปังจิปีโดยในที่เก่าแล้วนั่นเลย ก็จะสงสัยไเอเนี่ยถ <ingo> ้าเราแวะเข้า <mit> ปั okay. ๊ตอนแรกก็อยู่บนรถนั่นแหละที่ร่อนแวะเข้าปั๊มมันก็แวเข้าปั๊มเลยแล้ก็ส่งข้อมูลกันหน้าปังิเขมหมู่บ้านนะครับหมอกนอกทางไปแล้วนะอะไรไวก่อนนทานีอันนี้นะครับนอกจากว่าเราไปสู่อรอื่นนี่ยนะแต่ถ้าไปสู่อรื่นเป็นไรนะครับแต่ถ้าเราจะไปทาธุระที่อื่นใช่ไหมไม่ใชไปอะไรื่น ไม่ได้ไปถึงมาออตอนไปทางถนนเมเป็นไรนะครับนีรถแรกเข้าปั๊มนะ่ไหมเข้าปั๊ก็ถึงว่าข้าในเข็มบ้าตางไหนรถครับตำรารถตู้หน้พเลบมองลาไว้ก่อนนะสบายใช่ไมสบาใจบเดินทางดยการิรขาวข้าไข้าวได้ตอนนี้อยู่ท่าเข็มบ้างนะครับแต่ถ้าไปถึงอนาบุตรไม่เป็นไรนะครับสมว่าอยูเนี่ยอยู่ว่าเขาสนาำไทยจะไปนู่นแล้วก็ข่าสามหมื่ นั่นคุณไม่รู้ถ่ายกี่หมู่ากนะหลายตำบลหลายอเภออะไรนี่เขาเยอะแยะมากมาเลยนั่นเราไปถึงบ้านอื่นนะก็ไม่ต้องบอกอะไรนะครับแต่ก็มีปัญหามันไม่ได้เข้าแม่เขาปั้มนะบอกลาไม่ก่อนดีครับเขามันไม่ได้ไปบัานอย่างเดียวใช่ไหมขอแม่เขาปั้มไปเข้าน้าเรานั่นแล้วเราก็บอกลาบอกลาแต่ว่านะครับดีนะต่อไปนะครับ อ่าแห่งเกิดนะและประเภทแห่งอาบัตินะครับคำคียวันนะเมื่อไย่ออกแล้วนะหรท่านพี่นะอ่ชใช่ๆๆครับเมื่อแว่ออกแล้วไม่บอกที่สุ ก, ก่อนต้องบังตรปานศีด้วยในที่การนั่นแหละแห่งเกิดะประเภทอาบัตนะิข้าบทนี้คุนพะพาจ้าทรงปารุกที่สุดจากบั้นคีในเมืองสามัญีบัญญาไปแลนะก็เห็นคือ เข้าไปบ้านบรรณาวิกามีอนุบัญญัติสามคือสัาตัง่ิถึงที่สุที่มีอยู่นะครับไม่ลาที่สุที่มีอยู่หนึ่งอนาปุชฌาไม่บอกราหนึ่งนะครับอันญตระตะถาลุปปะอัญตระตะถาลุปนนาาลปาอาจารย์ิกากรณยียะแววนไว้แต่มีกิรียดว่วนนะครับเห็นปังนั้นหนึ่งเป็นอาส า, าระนาบัญญัติที่สุนี้ไม่มีนะครับข้อนี้นะี่สุนี้ไม่มีแต่ที่สุนี้เขามีน่นนะ เข้าไปแล้วแม่บ้าคนเดียวไมต้องปฏบบิเสธเลยนะ mm hmm. เอากาวาคารมันตระ렁เขาเฉยยากนะครับค mm ุณ hmm. เข้าไปสื่อแล้วแม่บ้านคนเดียวใช่ไหมแ mm hmm. ข็งหนักไหครับน mm ี่ครับแล้วก็อ น, นันติกาไม่เกี่ยวกับการใช้ก็เข้าไปเองเนี่ยคนใช้ไม่เกี่ยวคนที่เข้าไปนะติการปาจิตตินะครับ mm hmm. เป็นเวลาที่การใช่ไหมเข้าใจสงสารสมถินะครับ เข้าไปก็ต้องแบบนั้นนะครับยังเป็นการอยู่นะครับสําคัญว่าเป็นเวลาวิการหรือมีความสงสัยต้องทุกกบนะครับนี่นะก็ยังเป็นในการเราไปเข้าใจผิดเมอวันออกกาลว่าในวิการนะหรือว่าสงสัยแต่ต้อเข้าไปนี้ก็ต้องทุกกบนะครับอนาบัตที่สุไม่ก็องบัตเมื่อเป็นการอยู่สาคัญว่าเป็นการอยู่ไมเนไรเข้าไปในบ้านเพราะมีกิจจาเป็นนะครับ บอกพิสูจนก่อนไปไม่เป็นไรไม่ลาพิสูจน์ที่ไม่มีไปเลยไม่ต้องบอกใครเพราะมันมีใครให้นะนี่ภาษาใหรมีใครอยู่แล้วก็าไฟเลยไปยังสถานที่ใดที่หนึ่งบรรดาไอระหว่างระวัดนี่ไม่ใช่นะหมายถึงวัดอื่นนะครับอาจารย์วัดอื่แล้วไปวัดอื่นไม่เป็นไรนะครับไม่ลาก็ได้สถานที่อยู่ของนายพิษุญีเขาเรียกว่าสำนักพิุญีนะที่อยู่ของเยนฉี รงฉันนะครับรงฉันกลางหมู่บ้านใช่ไหมเดินไปตามทางที่ผ่านหมู่บ้านนะครับแบบไม่ได้แหวกแบบไม่ได้แหวกเข้าหมู่บ้านเลยนะไปตามทางผังบ้านาเลี้ยวอะไรไปก็มีอันตรายและมิสูบ้านถึงต้นก็ไม่ต้องอาบัต น, นะครับอันนี้ไงเวลาอะไรนะเราเปพุ่งบ้านข้างนอกใช่ไหมตอนต้นตีสี่กว่าใช่ไหมครับนั่นมันก็เข้าไปในเขตหมู่บ้านแล้วนะ มันก็เป็นเวลาวิการนะครับแต่ลราจะมาตามทางผ่านหมู่บ้านของมันเลยไม่ได้แวะเข้าบ้านไหนเลยแล้วก็ไปตามถนนเล่นเ่นด้วใช่ไหมครับอย่างนี้นะมันก็จะได้อานาจบัตรข้อนี้นะครับไเป็นไรเพราะไปข้อมีอันตรายถ้ามีอันตรายก็ไปได้มีปัญหานะครับไปสู่บ้านเป็นต้นก็มัต้องอานาจบัตรถ้าอธิบายว่ามีความว่าศีหษะก็ดีเสือก็ดี กำลังมาเลครับรีบไปเลยเมื <candy> ่อมาต้องลาใครนะนะครับเสือม้าดีแม่ตั้ง้อาขึ้นก็ดีนะครับรีบพ่อหลงฝนนะอุปธรรมะอะไรอะไรอย่างอื่นเกิดขึ้นก็ดีไม่เป็นอาบัจนะครับในพ่ออนตรายเห็นป่านี้จะไปยังภายในบ้านจะพายนอกบ้านควรอยู่ที่กันหานะครับปัทวาอันตราย ถ้าในกีที่ปวดเยี่จาดปวดจรานจดนี่ราบะเพื่อเป็นอนาบัเนี่ยปวดเยี่ยวจัดเนี่ยเอามีใค้บอกลราแต่เนี้ยไม่มามไม่ได้ไม่ขนาดนั้นใช่หมผมคนละเข้าบ้านเหมือน่ันพี่นี่นะไม่อกทันด้่ไหมว่าเดียวเนี่ยเพราะเราเราไม่ต้องไปตางหาอยู่นะเกินตาไม่ใช่ไม่ชี้นะ ต่อไปนะครับถ้าท้องเสียหนังคงจะได้นาท้องเสียนะครับตอนแรกพิสูจบ้านเป็นต้องทำไปตอนอบับ น, นะครับองค์อบับสามตัวนี้มีองค์สามเหล่านี้คือหนึ่งไม่ล้างพิสูจนที่มีอยู่สองไม่มีเหตุที่สองอนุญาตให้ไปได้นะครับก็คือกิจลิกด่วนหรืออัตรายนะใช่ไหมไม่มีนะครับสามเข้าไปบ้านในเวลาวิกา เมื่อครบโอเปต้องบทไปจีิงนสิขาบุนะครับสมุทฐานเป็นต้นเนื้อปฐมกับทินสิขาบนเคืออะไรเท่าร้องอะไรกายจินินผิดอะไเท่มันเลยไม่ใช่ไหมการวาจากายวาจาจิตจิตต้นนะครับสมุทฐานสองนะการวาจากายวาจาจิต น, น, นะครับ จำเรยบทัองปฐิทิเนี่ยการมาจารการมาจารจิตนลเจอหลายครั้งค่ะนี้ต่างกาสนาบทนี้เป็นกิริยากิริยาอะไรนะครับเป็นกิริยาเพราะเนี่ยไปทำการเข้าไปบ้ีวทำปิ่ออักกิริยาเพราะเนี่ยไม่อยากกเลยไม่ไปทำการบอกว่าเป็นสิ่ที่มีอยู่ถูกต้องครับเขียนไว้เขียนไว้ให้แล้วใช่ไหม จบการอธิบายกกาวีกขขาคำมั่นหมายเสนาสิกขาแบบเขาความจริงมันมีคําอธิบายนะนะครับ <c> ท <oughs> ่านบอกว่ า, อาจองที่ว่าไปาอาลามอื่นหรือไปสู่วัดอื่นนะครับไม่ใช่แต่ไม่บอกอะไรอย่างเดียวนะก า, ารที่เราจะไปสู่หมู่บ้านวัด อ, อื่นนะครับแม้ที่สูงไม่ฆ่าประคตเอวก็ได้นะครับท่านบอกว่าไปาสู่อืนน่นนะครับไม่ฆ่าประคตเอวก็ได้นะครับ ทำงานพินต้องข้าบกโคตเอลเวลาเข้าไปในหมู่บ้านใช่ไหมต้องห้ามบคตรเอวถ้าไมข้ามบคเอลเข้าไปต้าบบผูกดใช่ครับทำเข้าใกล้ครับถ้าพูดอย่างนั้นยืดนยมันจะทให้ทำการเระเพณถ้าถ้าสามมัดไมันแน่นได้นะแบบไม่หลุดนะครับไม่ต้องข้ามก็ได้ครับผมเดนผมได้ไหมให้มันแน่นๆแบบไล่ต้องข้ามน่นข้าได้เพรามันเดนไปห ไม่เกราเรายุ่งเหรอว่ส่งการไปกดเอได้ถ้าได้ได้ไปใส่เสียนะทาาใครของไม่เป็นไม่ดีนะครับก็คือผมวิทีมันหลไปในคนบีงคนควรเข้าไปอ๋อแล้วใส่แข้วแต่แต่ว่าแบมันก็เจ็บเองมันจะมีรอยที่ตไหนครบอืมอี่มันจะตอบกลับไป S <S. <S. แต่วหลังนี้มันมีไม่ผมสังติไปไม่ได้ส่วนคนที่อธิฐานไกลจีวรใช่ไหมมันจะต่อสังคติไปด้วยนะครับธรรมดาถ้าเข้ไปในหมู่บ้านนคนที่ถามเป็นไรต่อสังขาไปด้วยนะครับอันนี้ต่ไมคบไปนยะแต่ว่าถ้าได้อันนี้ถ้าเกี่ยวไปสู่วัดอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับไต้องสังคติไปตอนนี้ที่ตีความต่างกันนะ มาจาก่า้ก็ไปแปลสัมปทานบางเรื่งาสัขาจริงชัดเจนนะสัขาจริงปาลิตะวันะครับไม่หมนะสังขตินะครับแต่จามาท้าข้าแปลว่าไม่ห่มคุมเข้าแปลนี้นะรูอสึกไปถ้าไหนครับผมไม่ห่มคุมแต่เ่็สังขารจริงอ่าแปลว่าสังขารจริงถ้าเขาเว่ามไม่ห่มคุมไปก็ได้นะครับถ้าอะไรลดหลายไปนะนี่ครับ มันจะมีใช่ไหมทางบรรลุทางคนถือทางิตนนะครับ้วอ้าวเนี่ยไปเสื่ออารมอื่นนะหรือว่าพอไปสื้ออารมอื่นเป็นต้องนะครับปายทางผ่านหู่บ้างนี่นะท่านจะเไม่แน่นนะครับไม่ถวงคุมไปมีช่หวลาทุกไปขึ้นว่าเรามีรูปนี้ท่านไม่ถงคุมไปได้รอบรอบหลังเวลาไปนะครับไม่ใช่่ใช่พระเทน้าครับพนวกายนะ เนี่ยเข้าคงถือม <How? S 1> ัต huh. <Wow. S 1> ินั่นนะครับใช่ๆชครับเข้าคงถือตามมตินั่นนะรู้สึกว่าผมมากข้แต่งองสองนิสที่หลัเรื่องนี่นะไม่เก่คุมไม่คุมลยนะเยนะเข้าไปมากมากนะครับเข้าไปถืออะไรถือก็ในกรณีที่ก็ได้เห็นที่ในเชมบอยนคือเข้าไปถืออะไรนะจะไปวันศเนี่ย แต่ข้าวหูเชี่ยเบี้งปลาดองคือเราไปแนั้นได้ไม่น่าข้นเตคือาแค่สั่งคือสั่งทเตไงแต่ถ้าถือตามมตีนะอาจารย์นะครับอาจารย์เหล่านั้นนะถ้าเราถือว่าอย่างงั้นถ้าเราแปลสั่ง่านเตงั้นก็ขุมก็น่าขึ้นเรื่อง ตีความปาเรื่องนหน่อยนะครับแต่คุมไม่คุมเลยนะเราพวกก็คุมัรพวกก็ไคมขนาดไหนเนะแต่น่นกคือมดาของเราเห็นแตกกันบ้างมันจะเป็นอะไรไปไม่เมือกับแตกนิจัยนะเขาหนักขนาดนั้นเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับตดูทางสามคือทังจริงวิดญาณไม่นิสัยของอาารแ์ใหท่าก็เกติกท่านก็สตีฟางนี้นะครับุมคุม ถึงมันดูสามแล้วก็อย่นีก็สัจธรติก็ไม่เป็นแปลบันะครับอันนี้ต่อไปนะครับดูอนี้จบแล้วจบแล้วจบนะ่อไทำไรียอมื่อไหร่คืออาบัตเรียนบัตในัเอร์หดแล้วแล้วอย่าตีนะตามขออาจารย์ ถ้าจะตีความตามสองอาจารเนี่ยถ้าตีตามสามว่สำคัญจริงหรือสำคัญตีเนี่ ม, นมันก็ไม่น่าใ่ไหมครับางนาจะต้องอนุบาเพราะว่าไม่ปกปิดกครไม่ดีชอบไปนละรวกบ้านใช่ไหมครับอย่างนี้นะแต่ถ้า อ, อาจารย์พวกนึงบอกว่าอย่างนี้แหละไม่ต้องห่มผุ้ม ใ, ใ, ในตรงนี้นะเขาจือว่าแบนนาบในสิทหาบทนี้นะครับแต่พี่เขาห่มองเขาห่มองทุกที่นะมันจะชอบไปบ้านอื่นหอไม่ไปบ้นอื่นก็แล้วแต่ใช่ไหม ไปขินมูก็ดองไปไหนก็ดองชมเพราะเราเขาเาดองตลอดใช่ไะมครับถ้าไปขินมนบ้างเาก็คงคลุ้งแต่ว่กรด่้เราไปสู่วัดอท่าไปวัดตีการเใรข้ออจะดองใช่ไหมครับผมก็การขายอยู่ในใจของมนาอ๋อใส่ก็คือตาางมันตีนนะของพระทวาเหล่านั้นนะครับโอ้สีนะพแทนข้ามาเข้าใกล้กันนะครับ